บรรดาพราหมร้อยแปดนั้นท่านบอกว่าพราหมบัณฑิตมีอยู่แปดท่านด้วยกันมีรา ม, มาพราหมณ์เป็นต้นเป็นผู้ตรว จ, รวจทํานายภลักษณะเนี่ยนะถ้าหากว่าต้องเอามาทั้งร้อยแปดมานั่งตรวจกันไม่ไหวใช่ไหมเมื่อไรจะเสร็จมันเอาแค่แปดท่านก็พอบรรดาพราหมแปดท่านเนี่ยนะเป็นบัณฑิตทั้ง8ดท่านนั้นก็คือทั้งอะไรรา ม, มาพราหมเป็นต้นชูสองนิ้วพยากรณ์เป็นสองส่วนว่า ผู้ที่ประกอบด้วยมหาบุริีลักษณะ32เมื่อครองคารวาสวิสัยจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเมื่อออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเขาถือว่าชี้สองนิ้วเลยหมายความว่ายังไงก็ก็ดีแบบนั้นเถอะถ้าครองเรือนเป็นจั ก, กรพรรดิถ้าออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่ า, าตกลงท่านจะบวชหรือจะครองเรือนไม่รู้ว่ามีสองอย่างเนี่ยถ้าครองเรือนก็เป็นจั ก, กรพรรดิถ้าออกบวชเป็นพระพุทธเจ้า แต่คิดแบบพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยนะใจจริงๆท่านฟังปั๊บเนี่ยท่านคิดบอกว่าน่าจะเป็นจักรพรรดินะพระเจ้าจออกบวชก็บวชตอนหลังแล้วก็ได้นะเป็นจักรพรรดิก่อนอะไรเงี้ยพ่อเขคิดแบบพ่อที่นี้มีพราหมณ์คนหนึ่งโดยโคตรชื่อโกนทันยักษ์โคตเป็นหนุ่มกว่าเขาทั้งหมดเห็นพระวรลักษณะเรียกว่าลักษณะอันประเสริฐของพระโพ ธ, ธิสัตย์ยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวเท่านั้นพยากรณ์ส่วนเดียวว่า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 จะได้เห็นโอรสของพระเจ้าสุดโททนะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่านา้อแต่เมื่อพระโอรสพระองค์นั้นผนวชแล้วบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วลูกๆ ก, ก็จงบวชในสำนักหรือบวชในพระาศาสนา ข, ของพระองค์นะคือพราหมณ์แปดทั้งหมดเขามีแปดคนใช่ไหมคนเดียวเท่านั้นแหละที่พยากรว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกสองคนเนี่ยชูเป็นสองนิ้วแต่อีคนที่ชูสองนิ้วเนี่ยนะ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 ในรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยห้ามให้คนแก่มาเดินเพื่อนท่านอยู่แถวนั้นว่างั้นห้ามให้คนแก่แต่ก็นึกว่าพระ อ, องค์ไม่แก่หรือไงไม่ทราบอ่ะนะแต่บอกห้ามคนแก่ไปเยี่ยมลูกเราว่างั้นห้ามคนแก่ห้ามคนป่วยเพราะถ้าใครป่วยรีบส่งออกเลยไม่ต้องให้อยู่ที่นั่นนะนะที่นั่นไม่ใช่โรงพยาบาล น, นอนรักษาไข้ อ, ออกไวให้หมดเลยแล้วก็พระภิกษุนักบวชฤๅษีทั้งหลายไม่ต้องให้เป็นอยู่แถวนั้นหรอกเพราะเดี๋ยวลูกเราจะบวชนะครับ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 ก็คือพวกพญาทั้งหลายเขาก็ห่วงนะเพราะพวกนี้เนี่ยหัวเรื่องเรื่องสักยะวงเนี่ยนะถือว่าเป็นวงที่มีมา n a ลาพองมากที่สุดเนี่ยนะในเรื่องชาติตระกูลเนี่ยเขาถือว่าเขาเนี่ยสุดยอดว่าให้คนอื่นไม่เป็นเลยเนี่ยนะไหวไม่ได้เด็ดขาดเว้นไว้แต่ไห ว, ว, าวาอาจารย์เท่านั้นเองพระราชาก็พระราชทานพี่เลี้ยงนางนมนี่หกสนางผู้ปราศจากโทษทุกอย่างหมายาว่าไม่สูงเกินไปไม่ต่าเกินไปไม่ดําเกินไปไม่ขาวเกินไปเนี่ยนะครับว่าหาคนที่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 ที่บรนทมพระสำหรับพระกุมารภายใต้ต้นว่าต้นนั้นผูกเพดานด้วยผ้าแดงประดับด้วยดาวทองกั้นม่านตั้งกองรักษาการพระราชาก็ประดับเครื่องอลังการทุกอย่างอันมูอมาดแวดล้อมก็เสด็จไปเพื่อจดะนังขันก็คือไถนาในที่กสิกรรมเรียกว่าพระราชานี่เป็นหัวหน้าในการทำนาเนี่ยนะพระราชาก็คือพระนังขันทองอันเป็นมงคลอย่างยิ่งพวกอมาดก็ถือหางไถ เงินเป็นต้นวันนั้นเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางขันพันหนึ่งต้องเอาทั้งอมาตย์ไถนาเป็นพันเลยนะนะก็เก่งเหมือนกันนะดูแลวัวควายให้ปันชนกันได้นี่ก็เก่งมากนะถ้าเป็นพันๆเนี่ยไม่ใช่จะดูแลง่ายนะถ้าใครที่เคยเอาระห์เห็นโคกระเบือเยอะๆเนี่ยที่มันไม่ค่อยทะเลาะกันเนี่ยโอ้ดูแลกันยกใหญ่เหมือนกันนะท่นก็เก่งนะท่านก็ดูแลได้วัวควายได้เป็นพันเนี่ยนะโดยที่ไม่กระทบกระทั่งกันนะ ส่วนพระพี่เลี้ยงนางนมก็นั่งวแวดล้อมพระโพธิสัตว์คิดดูว่าจากดูปกติพวกที่พี่เลี้ยงนางนมะนะคนที่ดูแลพระโพธิสัตว์ปกติจะดูแลดีมากแต่วันนั้นอยากจะเห็นว่า เ, เขาไถานาเขาทากันยังไงนะพระราชาทำมงคลแรกนาควัญวับปะมงคลเนี่ยพระองค์ทำยังไงนาะพระโพธิสัตว์ก็ก็พากันออกไปดูกันหมดนะ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 พระราชาก็รีบเสด็จมาพระองค์เห็นปาฏิหารินั้นแล้วก็ไหวพ้พระอุรสรองค์ก็ตรัสว่าลูกพ่อเอ้ยแตนะว่าพ่อเนี่ยขอไห้ลูกเป็นหนที่สองนะว่างั้นนะโอ้เห็นแนละอัศาจรรย์ว่างั้นนะขอไหว้ลูกก็แล้วกันปกติก็มีแต่ลูกไหว้พ่อในพ่อขอไหว้ลูกนะลูกนี้พิเศษจริงจริงว่างั้นนะนะเรียกว่าขนาดพ่ อ, อยังไหว้เลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นอ่ะนะ ตอนหนึ่งพระมหาบุรุษมีพรรษา16พรรษาก็คือวันหนุ่ม16ปีเนี่ยนะพร ะ, พระองค์ก็ตรัสให้สร้างปราสาทสมหลังชื่อว่ารัมมะสุรัมมะและสุพระเป็นปราสาทเก้ชั้นหลังที่หนึ่งเชั้นหลังที่สองก็เจชั้นอีกหลังหนึ่งก็หชั้นซึ่งเหมาะแก่สาฤดูแก่พระโพธิสัตว์ปราสาททั้งสหลังนั้นโดยสูงเท่ากันขนาดเท่ากันแต่หลังชั้นเนี่ยแตกต่างกันบาง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 ใครมีลูกสาวก็ส่งมาแล้วกันนะหมาคำสั่งนี่สั่งไม่ง่ายเหลือเกินเหรอไเจ้าสักยะเหล่านั้นฟังสารของพระราชาก็กล่าวกันว่ากล่าวตำหนิอนะดูหมิ่นว่าพระกุมารเนี่ยงามแต่รูปอย่างเดียวไม่เห็นรู้ศิลปะอะไรอะไรเลยไม่อาจที่จะทําการเลี้ยงภริยาได้เนี่ ย, ยจะให้ส่งมันไปเยอะแยะเลยน่ยจะไปเลี้ยงกันไหวหรือแบบนั้นเพราะพวกเราจักไม่ให้ธิ่ดาของเราก็งามแต่รูปเฉยๆอะไรก็ไม่เป็นเลย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 พระราชาบอกลูกเอ้ยควรจะใช้วิชากําลังบุรุษหนึ่งพันคนเนี่ยยกธนูขึ้นเรียกว่าสหธถามะธนูสหัสแล้วว่าพันธรรมะแล้วว่ากําลังธนูที่ต้องใช้เรียวแรงของคนเนี่ยเป็นพันคนยกขึ้นพระโพธิสัตว์ก็บอกท่าอย่างนั้นปโปรดให้นําธนูมาพระราชาก็ให้นําธนูมาพระราชทานบุรุษที่ยกธนูนั้นใช้พันพันคนเนี่ยยกธนูนั้นขึ้นบุรุษพันคนนั่นแหละยกลง พระมหาบุรุษก็ให้นําธนูนั้นมาแล้วประทับนั่งคล้องหัวธนูที่นิ้วพระบาทโน้มดึงธนูด้วยนิ้วแม่พระบาทนั่นแหละทรงถือคันธนูด้วยพระหัตถ์ซ้ายแล้วก็ขึ้นสายธนูด้วยพระหัตถ์ขวาทั่วพระนครก็ถึงอาการดังเสียงดังในีกึกก้องขึ้นเมื่อถามว่านั่นเสียงอะไรก็ตอบว่าเมฆฝนคํารามดังส น, นั่นเขาเรียกว่าดีดเด็ดคันธนูเนี่ยมันจะดังตึงตึงตึงเนยนะ ทนี้ไม่เข้าใจไอ้มันเสียงอะไรไอ้ฟ้าคำรามรึเปล่าเสียงมันดังมากเลยคนอื่นๆก็บอกว่าท่านไม่รู้รอกไม่ใช่เมฆคำรามหรอกเมื่อพระกุมารอังคีราศาัทรงใช้วิชากำลังบุรุษพันคนยกธนูขึ้นทรงดีดสายธนูนั่นเสียงดีดสายธนูดอกนะเจ้าสักยะทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วก็มีจิต คือคักก้ดีใจกันมากเลยนะโหเก่งขนาดนี้เลยนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยวันนกักกษัตริย์เป็นวันนะนักรบเนี่ยนะนพอพูดถึงนักรบยกธนูขึ้นดีดนี่แม้ถือว่ากษัตริย์ด้วยกันในกลุ่มนักรบทั้งหลายเนี่ยดีใจมากเลยพระมหาบุรุษ ก, ก็ตรัสต่อไปว่าเออแล้วจะทำยังไงต่อไปพระราชาก็บอกให้เอาลูกธนูเนี่ยยิงแผ่นเหล็กหนา8ดนิ้วอะเพราะพระโ พ, พธิสัตว์ก็ยิงทะลุแผ่นเหล็กนั้นแล้ว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 พระโพธิสัตว์ก็ยิงทะลุอีกบอกทําไงต่อให้ยิงเกวียนบรนทุกสายพอยิงทะลุทายได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะไปให้ยิงทะลุทรายาพระโพธิสัตว์ก็ยิงเกวียนทะลุทรายทะลุฟางทะลุไม้เรียบแล้วก็ยิงลูกธนูไปในน้ําได้ประมาณอุสภะหนึ่งยิงบนบกได้ประมาณแปดอุสภะนะครั้งนั้นเจ้าสัคยะทั้งหลายก็ตรัสกับพระโพธิสัตว์ว่าควรจะยิงขนทรายที่หมายไว้ที่ผลมาอึก หมายความว่าแหมยิงยิงเรื่องขับพละกําลังเรื่องไกลเรื่องไวยเรื่องอะไรยอมรับแ ล, ล้วแหะแต่ต้องการจะดูความแม่นยว่าแม่นยําขนาดไหนอัง น, นี้ละกันเอาขนสัตว์ชนิดหนึ่งไปวางเอาไว้แล้วก็เหมือนก็ถึงๆเอาไว้เฉยๆแล้วบอกถ้ายิงยิงตัดไอ้ไขนทายนั้นได้ก็ถือว่าใช้ได้อย่างนั้นพระโพธิสัตว์บอกงั้นท่านจงผูกผลมาอึกและไกลไปประมาณโยอดหนึ่งถามว่ารัศมีที่ยิงแม่นเนี่ยจะต้องความแม่นเนี่ยอยู่ในระยะทางเท่าไหร่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 ไม่ใช่เพียงเท่านั้นอย่างเดียวพระมหาบุรุษแสดงศิลปะที่ใช้กันอยู่ในโลกทุกดางคือวิธีของนักกรบทั้งหลายเนี่ยนะวิธีการทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะมีอยู่เท่าไหร่พระองค์ก็แสดงทั้งหมดเจ้าสักยะทั้งหลายก็เลยประดับธิ่ดาของตนส่งไปเพราะจะึงมีสตรีประมาณสี่หมื่นนางเป็นสนมนักฟ้อนรำเนี่ยนะโอไม่แสดงขนาดนี้เขาไม่ยกลูกสาวให้เขากลัวไม่เลี้ยงลูกสาวเขาไม่รอดนะ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 มั่นคงมีงอนและหน้าประดับด้วยทองและเงินแก้วมณีข้างกงเนี่ยข้างกงเนี่ยประดับด้วยดวงดาวทองและดวงดาวเงินมีสิสง่าด้วยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมชนิดต่างๆที่กำรวมกันไว้เป็นที่น่าดูเสมือนรถทิพย์เหมือนรถเทวดาเทียมด้วยมงคลสินทบม้าอาชาในอยู่สี่ตัวที่เป็นม้าอาชาใยฝีเท้าดังพยาครุดในอากาศ เรีว่าแต่ละตัวนี่้เป็นมาที่ว่องไวมากมีสีเหมือนดวงจันทร์และดอกกุมมุดแปลว่ามาขาวทูลให้พระโพธิสัตว์ทรงทราบ พ, พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นรถพระที่นั่งคันนั้นเนี่ยนะใช้ม้าสี่เชือกนะม้าเออม้าสี่ตัวเนี่ยมาเรียกว่าขึ้นรถนิ่มเออเครื่อรถเหมือนเทพวิมานเสด็จบ่ายพระภาคไปสู่เทยานครั้งนั้นเทวดาทั้งหลายก็ดมรติว่า ใกล้เวลาตรัสรู้ของพระสิทธะกุมารแล้วเนี่ยใกล้จะต้องใกล้จะรู้ความจริงแล้วตอนนี้ชีวิตมันเหมือนกับพระปกปิดนะนะถูกบำรุงบำเรอก็เหมือนกับปิดตาด้วยอารมณ์ที่น่าปรารถนาปิดหูด้วยอารมณ์ที่น่าปรารถนาปิดจมูกปิดไม่ให้ท่านรับทราบเรื่องอื่นเลยเนะนะถูกให้บำรุงบำเรเอเพลิดเพลินชีวิตอยู่ด้วยความเพลิดเพลินนะเนีเพราะฉะนั้นบัตรนี้ที่จะต้องประกาศความจริงให้พระโพธิสัตว์เห็นแล้ว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 ท่านเห็นคนแก่ปั๊บท่านมองแบบจุดแห่งความแก่ก็มาจากความเกิดถ้ารังเกียจความแก่จริงก็ต้องรังเกียจความเกิดเพราะที่สุดแห่งความเกิดก็คือความแก่เสร็จแล้วก็เสด็จกลับจากที่นั้นอะไม่เที่ยวต่อแล้วว่ามีแต่อะไรนะมาเห็นคนแก่ครั้งเดียวนี่ก็ทราบซึ้งตรึงจิตมากเลยพระราชาก็ถามว่าเพราะเหตุไรรูปของเราจึงกลับเอ๊ะไปเที่ยวแป๊บเดียวทําไมกลับอะสารทีก็ทูลว่าก็เพราะว่าพระองค์เห็นคนแก่พระเจ้าค้า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 พระเจ้าเราก็ต้องไม่เห็นพระราชา ไ, า, าไม่เห็นบุตรไปเห็นภริยาไม่เห็นมิตรอมมาตย่าสาโลหิตทั้งหมดใช่ไหมบอกใช่เพราะว่าที่สุดของความเกิดก็คือความแก่และความตายเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้จะต้องสูญเสียพระธาตจากสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหมดก็เลยเเดือดรอนเลยกลับเลยค่นี้พระโพธิสัตว์ก็กลับอีกพระราชายิ่งเข้มงวดเพิ่มกององค์ละครอีกมาได้ยังไงเนี่ยนะ